ที่พระ เ, เจ้าสอนสรุปสรุปนิดหนึ่งนะท่านสอนให้เราศึกษา3มเรื่องนะคือศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาศึกษาเรื่องศีลคือดูซิว่าเราเนี่ยมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนจึงทําให้เกิดการทําผิดในเรื่องต่างๆ <c oughs> เราจะทําผิดศีลก็เพราะ มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ไม่ทันมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ไม่ทันจึงไปทำผิดเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องศีลคือมาศึกษาเรื่องว่าจิตเรามีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็ไม่ทำผิดศีลมีความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ไปรักขโมยเขาถ้ารู้ทันมีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ไปฆ่าเขาถ้ารู้ทันมีราคะเกิดขึ้นก็ไม่ทำผิดศีลข้อ3าถ้ารู้ทัน จริงๆไม่ใช่แค่โกรธแล้วไปฆ่าเขานะแล้วก็ไม่ใช่แค่โลภแล้วไปขโมยเขาโกรธก็ไปขโมยก็ได้แล้วก็ขโมยเนี่ยนะไม่ใช่เอามาเพื่อเป็นตัวเองใช้ด้วยไปทําลายก็ถือเป็นการอธินาทานเหมือนกันเช่นไปเผาไปเผาบ้านก็เนี่ยเผาบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นอธินาทานเพราะไม่ใช่ทักของตัวเองแล้วไปเผา ถ้าเกิดจะเล่ามันจะยาวไปไหมมีแม่ชีคนหนึ่งนะทนฟังเลยนะมีแม่ชีคนหนึ่งโกรธลูกตัวเองตอนนั้นยังไม่บวชนะมาเล่าเลาประวัติให้ฟังว่าเขาเนี่ยโกรธลูกลูกเนี่ยชอบเที่ยวนอกบ้านเป็นลูกสาวลูกสาวคงจะใจแตกไปเที่ยวไม่ยอมกลับบ้าน ก็โมโหลูกโกรดลูกนั่นแหละมันไม่ยอมกลับบ้านนักหรือเอาเสื้อผ้ามากองกองกลางบ้านเผาประชดลูกลูกไม่เห็นแล้วนะเพราะลูกยังไม่กลับบ้านเผาเสื้อผ้าของลูกกลางบ้านแล้วตัวเองก็ออกไปนั่งกินเหล้า <laughs> ตัวเองกินเล้าด้วยนะไปนั่งกินเหล้าคือโกรธ สักพักหนึ่งมีคนวิ่งมาบอกไฟไหม้บ้านก็ <c oughs> เผาเองอะนะเผาเสื้อผ้ากลางบ้างตอนที่เผาเนี่ยคิดเพียงแค่เผาเสื้อผ้าไม่ได้เผาบ้านแต่พออ้าวบ้านมันเผาไปด้วยทำยังไงดีวิ่งไปหาลรงพักไปไปหาตํารวจบอกว่าคุณตํารวจจับฉันทีฉันเผาบ้านตํารวจถามบ้านใคร บ้านฉันเองอ๋อถ้าบ้านป้าเองอก็บ้านไม่จับล็อกเป็นสมบัติของป้าแต่อย่าไปโดนบ้านคนอื่นก็แล้วกันบอกพอดีว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านเดียเด่ยวๆไม่มีไม่มีอาคารที่ติดติดกัน <c oughs> นี่คือเผาสมบัติตัวเองไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าไปเผาสมบัติคนอื่นเป็นอธินาฐานเข้าใจไหมเพราะว่าเขาหวงเป็นเขาหวง เจ้าของไม่ยินยอมเหมือนกับสมัยก่อนท่านเศรษฐีท่านหนึ่งเดินผ่านไอ้หนุ่มคนหนึ่งนอนนอนบนศาลาและเท้าเปื้อนเศรษฐีก็ชี้บอกชี้กับบริวารแแสดงไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเที่ยวกังคืนเวลานอนจึงไม่ได้ทันล้างเท้า ซึ่งมันไม่ใช่สมบัติผู้ดีผู้ดีเนี่ยไม่เที่ยวกันคืนแล้วก็ก่อนนอนจะต้องล้างเท้าท่านก็ชี้ให้บริวารดูเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ยมันมันเที่ยวกลางคืนพอดีไอ้หนุ่มที่ไม่ล้างเท้านั้นอ่ะมันยังไม่หลับเพรมันไปเที่ยวกันคืนจริงๆแล้วเช้านั้นเนี่ยมันเพิ่งนอนมันก็พอเศรษฐีไปเนี่ยมันก็เปิดมันมันคุ้มโปงอยู่นะมันก็เปิดดูอ๋อเศรษฐีนี่มันว่ากู มีความโกรธเกิดขึ้นในใจจะต้องแก้แค้นวิธีแก้แค้นของเขาก็คือไปเผานาของเศรษฐีเวลาข้าวออกรวงก็ไปเผาเผาเพื่อให้เศรษฐีมันโกรธให้สะใจเศรษฐีก็อ๋อไม่โกรธใครเผาหรอก็สงสารคนทําไม่โกรธไม่โกรัก็ทําหนักขึ้นหนักขึ้นไปเผาจากเผานาไปเผายุงฉางเผายุงฉางก็ไม่โกรธไปตัดขาวัว พวกนีอินนาทานทั้งนั้นเลยนะตัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้กินแต่ไปทำลายสมบัติของเขาไปตัดขาวัวก็แล้วเศรษฐีก็ยังไม่โกรธไม่โกรธไอ้นี่ก็ยิ่งโก ร, เรธเศรษฐีไม่โกรธแต่ไอ้คนทำยิ่งโกรธทำไมมันไม่โกรธก็ไปตีสนิทกับคนในบ้านเศรษฐีเศรษฐีนี่รักอะไรที่สุดรักอะไรที่สุดเหรอเฮ้เห็นเศรษฐีไปหาพระเจ้าบ่อยๆนะ ไปที่พระคันธกุตีบ่อยๆเหรองั้นเราเผากุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยดูสิ <c oughs> มันจัดการเลยนะ <c oughs> ไปสืบว่าพระพุทธเจ้าจะออกบินทบาทกี่โมงความพยายามของมันนะจะทําชั่วมันก็พยายามกันนะพุทธเจ้าจะบินทบาทกี่โมงพอพระเจ้าออกไปมันก็ไปเผาเลยเผาเสร็จจะรอดูว่าเศรษฐีจะต้องออกแตกตายแน่เขานี้ ควไปรา ง, งานฤฤษีเอ้ยไปรายงานเศรษฐีเศรษีบอกเหรอเออมันเผาแล้วก็แล้วไปดีเหมือนกันเราจะได้สร้างใหม่ไอ้ที่สร้างไว้เดิมเนี่ยมันมันยังไม่ดีพอรู้สึกว่าสร้างเสร็จแล้วรู้สึกมันมีข้อบกพร่องแต่ไม่กล้ารือ้อเนืะเพราะพระเจ้าไปอยู่แล้วดีเลยลเดี๋ยวเราจะทําใหม่ทาให้มันดีไอ้จอห์นคนนั้นก็อะไรวะทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่โกรธ เศรษฐีก็ไปสร้างกุฏิเสร็จสร้างใหม่เลยนะสร้างใหม่เสร็จก็ทําบุญฉลองกุฏินิมนต์พ ร, พระฤาจารับพระสงค์ทางวัด ต, ตอนถวายอาหารถวายเสร็จก็ต้องมีการอุทิศส่วนกุศล <c oughs> ตอนอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไอ้จอนคนนั้นเนี่ยเน็บกริดเน็บเน็บเราเอง <c oughs> กริดคือมีดต ำ, ตำลาเขาว่าเหน็บกลิดจริงๆนะเหน็บกริดไปคือมีดที่มันยึ ก, ย ก, ย ก, ยกๆๆเนี่ยนะกะจะไปจิ้มเลยนะจิ้มเศรษฐีนี่เลยกะเอาว่าตอนที่กาลังแบบกาลังนิ่งๆที่กาลังกรวดน้ำเลยนะกำลังแบบเป็นเป้านิ่งไปตอนนั้นพอเข้าไปใกล้ๆเศรษฐีกราบทุนพระเจ้าบอกว่าบุญกุศลครั้งนี้เนี่ยก็หม่อมชั้น ขออุทิศให้กับอคนที่มาเผานาเผายุง่งข้าวตัดขาวัวรวมทั้งคนที่มาเผากุฏิพระองค์กระหม่อมชั้นคิดว่าคนคนเดียวกันนั่นแหละกระหม่อมชั้นขออุทิศให้เขาคนเดียวเลยให้ก่อนเลยไอคนนั้นได้ฟังตกใจถือกริตมาแล้วนะ่ยถือกริตมาจะจิ้มกขาแล้วเนะี่ย ต้องทิ้งเลยแล้วขอคุกเข่ากราบขอขอขมาขออภัยบอกนึกไม่ถึงเลยว่า ท, ทั้งทั้งที่ท่านก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนทําคือข้าพเจ้าทํำเลยนะทําบุญใหญ่แล้วยังอุทิศให้ข้าพเจ้าก่อนนึกไม่ถึงเลยขอเข้ามาด้วยเศรษฐีก็ถามหลังจากที่เ อ, อปรับความเข้าใจกันดีแล้วเนี่ยก็ถาม <c oughs> ถามว่า ข้าพเจ้าก็พอทราบว่าเป็นท่านนี่แหละที่ทําแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําบอกผมเนี่ยโกรธท่านที่ท่านหาว่าผมเนี่ยนอนไม่ล้างเท้าพอกเศรษฐีครับแค่นี้เหรอแค่นี้แหละไม่ชอบนหาว่าเรานอนไม่ล้างเทา้าเหมือนดูถูกเราเราก็เลยอยากจะทําให้เศรษฐีเนี่ย ได้รับความถูกข์ใจบ้างแต่ไม่เห็นได้ทุกเลยนะไม่เห็นทุกใจเลยถ้าอย่างนั้นผมขอเขามานะโจรขอเข้ามานะเศรษฐีก็บอก เ, อเราให้อภยัยโจรบอกโจรยังไม่ยอมหยุดนะโจรบอกว่าผมยังไม่เชื่อว่าท่านให้อภัยจริงนะถ้าท่านให้อภัยจริงท่านต้องรับผมเป็นคนงานเศรษฐีบอกไม่เอาไม่เอา แค่เราตำหนิแค่ว่าไม่นอนนอนไม่ล้างเท้าท่านยังทําขนาดนี้ท่านมาทํางานกับเราเราต้องมีตําหนิท่านบ้างแหละแล้วตอนนั้นเราจะเป็นยังไงไม่เอาท่านไปไปไหนก็ไปดังนั้นไม่รู้ทันความโกรธนะไม่รู้ทันความโกรธก็เอาเอาตัวที่โกรธเนี่ยไปทํทาทําบาปทําชั่วถ้าเขาฝึกสติสักหน่อยนะก็จะจะรู้ทันน เศรษฐีเนี่ยฟังธรรมพระเจ้าะทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นประสบสภาวะที่ไม่น่าพอใจนะเป็น อ, ะ, อะไรก็แล้วอ้อันิทฐารลมใช่ไหมซับใช้ศัพบหน่อยนะมันมีอิทธารมกับอนิทฐานลมรู้เรื่องไหมอิทธารลมคืออารมณ์ที่น่าพอใจอนิทฐารลมคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเศรษฐีเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแต่เขาเขาไม่ได้บังคับตัวเองเลยนะเขาเห็นว่า เออไอคนที่มันทําไม่ดีมันก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีส่วนตัวเขาเองเนะี่ยเขาไม่ได้ทําไม่ดีด้วยเขาไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรกับกับไอไอสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้กับเห็นมุมมองแปล ก, ปลกๆที่เรารู้สึกว่าเรามองมองไม่ได้อย่างท่านนะอย่างเช่นเผากุฏิแล้วรู้สึกเออดีเราจะสร้างใหม่นะสร้างให้สวยอย่างนี้เลยนะคนเวลาสร้างเนี่ยนะมันจะมองออกว่าสร้างไปแล้วมันมีจุดบกพร่องเคยเคยสร้างบ้านไหม สร้างสร้างไปตรงนี้น่าแก้แต่มันแก้ไม่ได้แล้วเป็นงั้นไหมมันน่าแก้แต่แก้ไม่ได้มันสร้างไปแล้วเงี่ยเศรษฐีก็อารมณ์นั้นน่ะนะอารมณ์นั้นแบบสร้างไปแล้วเนี่ย น, นะพทุทธทธาตก็อยู่แล้วแต่เราอยากจะแก้ใหม่มันแก้ไม่ได้ไอ้หนุมคนนี้ไปเผาพอดีเลยแต่ไม่ได้ดีใจที่มันเผาทําลายกุฏินะดีใจว่าเรามีโอกาสสร้างใหม่อีกหลังหนึ่งในที่เดิมไม่ต้องไม่ต้องซื้อที่ใหม่ได้สร้างใหม่ <c oughs> โอ้เลยเวลาไปแล้วเนี่ย <c oughs> จะนั่งสมาธิสักหน่อยไหมหลังจากที่ฟุ้งซ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ลองลองฝึกดูสภาวะกันสักพักหนึ่งนะที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งได้นะเพราะไม่ได้จํากัดที่ท่านั่งลองดูใจตัวเองนะเมื่อกี้นี้กับตอนนี้เหมือนกันไหม เหมือนไหมรู้สึกตอนนี้มันรวบๆไหมปกติไหมจิตตอนนี้ปกติไหมไม่ปกตินะเอาให้มันปกติก่อนนั่งนั่งตัวตรงๆธรรมดาใจสบายๆนะไม่ต้องเสี่กับไปรวบจิตรวบใจนะทาแบบปกตินั่งหลังตรงๆอย่างงอนะทําคอตรงๆหายใจไปเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยให้ร่างกายมันหายใจของมันเอง มีสติคอยดูเฉยๆหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หายใจไปเรื่อยๆปล่อยให้ร่างกายนี้หายใจไปสติคอยรู้สภาวะปัจจุบันขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงไม่ต้องบังคับลมนะไม่ต้องบังคับให้มันหายใจมันหายใจมันเองได้ เพียงแต่รู้เมื่อปล่อยไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าร่างกายมันหายใจแล้วมีความกระเพื่อมไอที่นั่งนิ่งๆเนี่ยมันไม่นิ่งจริงมีความเคลื่อนไหวด้วยความเคลื่อนไหวที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดที่เราหายใจเนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราไม่ลืมถ้ามันนิ่งไปเลยเนี่ยบางทีตัวตัวที่คอยเฝ้าสังเกตมันจะสังเกตยาก แต่พอมันมีความเคลื่อนไหวเช่นบางคนดูที่ท้องที่มันพองมันยุบบางคนดูที่การกระทบที่ลมที่สองช่องจมูกแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ใครฝึกมาอย่างไงเห็นความเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันกระเพื่อมไปเห็นเหมือนก้อนถุงหนังที่มันกระเพื่อมไปกระเพื่อมไป ปล่อยให้ร่างกายมันทำงานใจเพียงแค่มีสติไปเฝ้ารู้อย่าปล่อยให้เคลิ้มนะอย่าปล่อยให้เคลิม้มรู้แบบตื่นตัว ตอนรู้อยู่ที่กายเนี่ยจะเห็นเหมือนกายนี้เป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งกระเพื่อมไหวไปตามแรงลมหายใจ ให้รู้ทันตอนที่จิตมันเผลอเผลอไปฟังมีเสียงกระทบเสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงนกเสียงสภาพแวดล้อมจิตมันไหวไปให้รู้ทัน เสียงฝนตกไปรับรู้เรื่องฝนก็รู้เห็นความเคลื่อนไหวมันเริ่มกังวลก็รู้ รู้เฉยๆให้อิสระกับมันไม่บังคับเพียงแต่มีมีวิหารธรรมคือมีที่อยู่ของใจเอาไว้ตอนที่มันไม่มีอะไรทําก็ให้ไม่รู้มารู้ถูที่กายที่หายใจกายที่นั่งหายใจนี้ให้เป็นที่อยู่ ให้มาแวะอยู่บ่อยๆแต่พอใจมันเผลอไปจากการที่กระทบเสียงบ้างหรือความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจให้รู้ทันความไหวในใจอีกทีหนึ่งเห็นความไหวในใจแล้วไม่มีอะไรดูต่อให้มาดูความไหวของกายความเคลื่อนไหวของกายที่เคลื่อนไหวไปตามลมหายใจ จะเห็นเลยว่าร่างกายทำงานกับมันเองใจก็เคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่กระทบไปเองดูมันทำงานโดยก็ไม่ไปแทรกแซงเป็นเพียงผู้สังเกต เป็นผู้สังเกตเฉยๆดูมันแสดง <c oughs> อย่างนี้จะเห็นจะเป็นการสะสมข้อมูลเป็นการสะสมข้อมูลให้กับจิตให้จิตเห็นสภาวะแท้ๆที่เป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างเมื่อจิตสะสมข้อมูลมันจะค่อยๆมีความรู้เพิ่มขึ้นจนมากพอ เมื่อจิตมีข้อมูลมากพอมันจะสรุปความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่ความรู้ที่บอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราและใจนี้ไม่ใช่เราเพราะว่ากายนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบังคับไม่ได้ใจนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบังคับไม่ได้เกิดดับสิ่งที่จะทําให้จิตมีความรู้ก็คือตัวสติที่จับสภาวะให้ดู และตัวสมาธิที่ตั้งมั่นเห็นมันทำงานโดยที่ไม่ไหลาตามตัวที่มีความตั้งมั่นไม่ไหลาตามก็คือไม่ถูกมันชักจูงและเราไม่ไปแทรกแซงไม่เผลอไปตามความพอใจไม่เผลอไปตามความชังความชอบ พอสมควรแก่เวลานะเป็นการฝึกเพื่อเติมเติมข้อมูลแท้ๆให้กับจิตนะจิตจะมีข้อมูลใหม่ๆที่เป็นของจริงไปให้ดูนะเมื่อเราทำทำอย่างนี้บ่อยๆนะจิตจะสั่งสมข้อมูลไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่พอเนี่ยมันก็จะยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่นะแต่พอมันพอขึ้นมาแล้วเนี่ย จะเกิดสภาวะที่ที่มันก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นมรรคขึ้นมาพอมรรคเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลับมามองอีกทีมันจะไม่เป็นเราแล้ว <c oughs> นะขอให้เราอุทิศชีวิตนี้ <c oughs> เพื่อที่เรียนรู้คําสอนของพุทธเจ้านะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นบ่อยๆ ไม่ได้อุบัติขึ้นได้โดยง่ายท่านสั่งสมสร้างบา ร, รมียากกนะว่าจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักองค์หนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมาเล่าให้ฟังว่ายากยังไงยากมากไปอ่านไปอ่านอดีตของท่านแล้วยากยากจริงๆ <c oughs> ท่านท่านสั่งสมบา ร, รมีมาด้วยความยากลําบากนะด้วยชีวิตด้วยร่างกาย ด้วยจิตใจอันอันเข้มแข็งของท่านเอาเข้าข้าวว่าท่านบอกว่ากระดูกเนี่ยเฉพาะกระดูกอย่างเดียวเอากองไว้กับพื้นเนี่ยมันท่วมไปถึงชั้นพรหมโลกพรหมโลกอย่างที่ตามาบอกอะ่ะมันเกินกว่ากาแล็กซี่อีขนาดนั้นอะ่ะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาไม่ใช่สี่สองขายกระแสกับเท่านั้นนะดูสิว่าจะไม่เล่าอย่าง แค่ตั้งใจแค่ตั้งใจครั้งแรกที่จะมาเป็นพระเจ้าเนี่ยนะึนกในใ จ, จเฉยๆยังไม่บอกใครเขาเนนะนึกในใจอย่างเดียวเนี่ยอยู่เจ็ดอสงไขยเจ็ดอสงไขย <c oughs> เอ่ยปากบอกอีกเก้าอสงไขยแล้วพอได้รับการพยากรณ์จากพระเจ้าพนามว่าทีปังกรเนี่ย ตั้งแต่นั้นมาอีกสอสงไขยรวมแล้วกี่อสงไขยยี่สิบโอเก่งคณิตศาสตร์เนาะบวกเร็วมากยี่สิบอสงไขยแสนกลับมีเศษด้วยนะอีกแสนกลับ <c oughs> ไม่ง่ายนี่เฉพาะที่เริ่มตั้งแต่ตั้งใจนึกไว้ในใจอย่างเดียวจนถึงเอ่ยปากบอกจนกระทั่งได้รับพยากร น, นี่คือพระพระเจ้าที่เร็วที่สุดแล้ว เร็วที่สุดแล้วนะขนาดนี้นะถ้าขนาดภาษีอริยเมตไตเนี่ยเฉพาะตั้งแต่ได้รับพยากรเนี่ยจนถึงกับนี้เนี่ยนะสิบหกอสงไขคิดดูก็แล้วกันตอนตั้งใจอย่างเดียวกับตอนเอ่ยปากอีกเท่าไหร่งนั้นสิ่งที่เราได้พบปัจจุบันนี้ในชาตินี้ไม่ใช่ของ กระจากระจานะไม่ใช่ของที่พบได้ทั่วๆไปไม่ใช่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็เจอชาตินี้เจอแล้วอย่าได้พลาดโอกาสอันสำคัญนะอย่าได้ทำวินาศกรรมตัวเองโดยการปล่อยให้ชีวิตนี้มันหายไปโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการตัดสู่ของพอระเจ้าเลยนะขอให้การมาพูดคุยในวันนี้มีประโยชน์บ้างนะแล้วก็บุญกุศลทั้งหลายที่ทากันในวันนี้ทั้งการ ที่เราได้มาให้ทานเอื้อเฟื้อกันเองนะผู้ที่มาออกโรงทานผู้ที่นำเอาของมาแจกหรือว่าแม้แต่เจ้าของสถานที่ผู้ที่มีส่วนในการสร้างในที่แห่งนี้นะรวมทั้งผู้ที่เอื้อเฟื้อในการจัดสถานที่รวมทั้งที่เราได้มาฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งได้มาภาวนาเจริญสติ <c oughs> ทุกอย่างที่เป็นบุญแล้วลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทา และมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานอย่างนี้อุทิศให้กับหมู่ญาติของเราผู้มีพระคุณของเรานะให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้รวมทั้งที่ปกปักรักษาพวกเราเองด้วยที่ลืมไม่ได้นะที่ลืมไม่ได้คืออุทิศให้กับในหลวงของเราด้วยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมากที่ทําให้ประเทศของเราเนี่ยได้มีความร่มเย็น ท่านเป็นศาสนูประามภกที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ศาสนาของเราเนี่ยได้มีความมั่นคงในผันดินนี้ท่านอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ผู้มีวิถีชีวิตปฏิบัติีปฏิบัติชอบทาให้เราได้เห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เราบางทีก็อาจจะไม่ ไม่เคยรู้จักท่านได้เห็นท่านได้นำแสดงให้ดูตัวในหลวงเองก็ <c oughs> แสดงพระราชจริยวัตรให้เราได้เห็นอย่าประมาทท่านนะท่านไม่ธรรมดาเลยนะใน ด, ด้านบารมีของท่านเองที่ท่านทำมาก่อนนี้และในชาตินี้เองด้วย รวมทั้งอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราที่ทําให้เราได้มีชีวิตมาพบพุทธศาสนาจนถึงขณะนี้นะรวมถึงอุทิศให้กับตัวเองด้วยนะอุทิศให้กับตัวเองที่อุตส่าห์หันหน้าเข้ามาหาสิ่งดีๆมีค่าคําสอนพุทธเจ้านะพวกเราให้มาต้นอนุโ ม, ม, มทนากันเองด้วยนะรวมทั้งเทพ ย, ยดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้ทราบการทําบุญของเราเราอุทิศบุญกุศล น, นี้ให้กับท่านทั้งหลายไม่มีประมาณสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์อโมธนากับเราเหมือนกับท่านได้ทําเองอุทิศให้อย่างไม่ไม่เสียดายไม่ไม่หวงบุญตั้งใจตั้งใจอธิษฐานตัวเอง อธิษฐานตัวเองว่าจะไม่ปล่อยเวลาเปล่าไม่ปล่อยเวลาเปล่าจะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจตนเองให้จเจริญในุภพศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปมีความรู้ธรรมเห็นธรรมทุกขั้นทุกคนด้วยเทอร <c oughs> มันยังอยู่ในเวลาไหมเนี่ย <laughs> พอได้นะ ช่วง น, นี้มีอะไรถามไห ม, มยัง ม, มีเวลาให้ถามป่ะอยากส่งคําถามกับพระอาจารย์ปุณย์ชุกมือขึ้นนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านใดวันนีเมื่อกี้เห็นฝนตกก็เลยให้นั่งต่อ <laughs> <c oughs> ครับวันนี้ทําว่าเป็นธรรมะที่สั้นกระชับง่ายนะครับแล้วก็มีสาระประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากท่านพระอาจารย์กฤษนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยากเรียนปรึกษาส่งคําถามเรียนเชิญนะครับ Uh, ฝากนิดนึงถ้าใครมาได้นะมาไม่ใช่เฉพาะมาฟังอาตมาอย่างเดียวมาฟังครูบาอาจารย์ท่า น, นอื่นๆรวมทั้งคาราวาส ด, ด้วยอย่างที่บอกจะเป็นการสั่งสมนะสั่งสมแล้วพอพอเรามาอยู่เรื่อยๆเท่ากับว่าเราทำไม่ขาดตอนนะทำไม่ขาดตอนมาฟังธรรมะคุณแหม่มก็คัดเลือก คัดเลือกผู้ที่มาเป็นวิทยากรดีแล้วนะคุณคุณมาลีจะมาเมื่อไหร่เธาดูโปรแกรมก็แล้วกันนะอาจารย์สรวัวต์มาไหมมาแล้วนะใครมาบ้างใครมาฟังอาจารย์สระวาดบ้างดีดีดมัหธาคือจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นจากการฟังท่านเหล่านี้อธิบายนะ คูบาาจารย์ที่มาเทศมาสอนก็จะช่วยให้เราได้ได้มองธรรมะอันเดียววันเนี้ยในในแง่มุมต่างๆเราก็ไม่ทําตัวห่างไม่ตอนตัวห่างเหินจากธรรมะเข้ามาฟังบ่อยๆแล้วก็เรื่องธรรมะเนี่ยไม่จํากัดเฉพาะพระยโยมเองก็สามารถรู้ทำเห็นรมได้แล้วที่รู้ทำเห็นรรมแล้วก็มาบอกต่อแล้วเนี่ยเราก็ อย่าอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเฉยๆเพราะพระเจ้าถึงแม้ท่านจะป ร, ะรินิพานไปแล้วนะแต่ธรรมะยังคงอยู่นะแล้วก็ผู้ที่รู้ผู้ที่รู้ท่านก็ยังมาบอกต่ออยู่ยังโลกยังไม่วินาศโลกยังไม่วินาศเราอย่าปล่อยให้มันวินาศไปเฉยๆปล่อยวินาศไปเปล่าๆตอนนั้นเองโลกเนี่ยคือกายนี้กําลังวินาศอยู่นะ กายนี้กาลังวินาศอยู่ใช่ไหมไกลวินาศแล้วยังทต่นี้ไกลวินาศแล้วยังไม่เช้ากับทางนี้นะทางนี้ด้วยอย่าปล่อยให้วินาศเปล่ามันต้องวินาศอยู่แล้วนะโลกนี้คือกายนี้ใจเนี่กยกําลังวินาศอยู่เสมอเสมอวินาศอยู่เรื่อย